านเพื่อนกันตลอดไปการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่มีความสุขที่นั่นยังมีฮิวโก้และเอลซีเพื่อนสนิทที่ตัวแทบจะติดกันตลอดเวลาไม่เคยแยกจากกันเลยดูสิเอลซีนั่นราชาเอลเขาดูแข็งแรงใช่ไหมล่ะฉันจะเป็นราชาเอล ดูหูของฉันสิเอองั้นฉันขอเป็นแม่มดที่สง่างามพวกเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันสุดๆและไม่มีใครสามารถแยกพวกเขาจากกันได้แต่ไม่เหมือนกับทั้งสองคนในส่วนลึกของป่ายังมีคนแคระอยู่คนนึงมีนามว่าโคบี้ซึ่งเขาไม่เคยมีเพื่อนเลยแม่ครับวันนี้ไปดูเบอร์รี่ของนางฟ้ากันนะครับ โอ้โคบีไม่เห็นเรื่องไงว่าแม่่ะทำความสะอาดบ้านอยู่แม่ไปกับลูกไม่ได้งั้นถ้างั้นผมขอไปคนเดียวนะลูกรักแม่เคยบอกลูกไปแล้วว่ามีโทรโหดร้ายอยู่รอบๆป่าแห่งนั้นและพวกมันก็ออกมาตอนที่เอ่อกลางคืนผมรู้แล้วครับแต่ว่าผมจะระวังตัวให้ดีแม่ขอโทษด้วยนะโคบี Kobe. แต่ลูกต้องอยู่ที่บ้านทำไมลูกไม่ไปเล่นของเล่นซะล่ะก็ได้ครับแม่จากนั้นโคบี้ก็ออกมาหาแม่แม่ครับอาหารเที่ยงเสร็จหรือยังแม่หลับงั้นเหรอได้โอกาสของฉันแล้วฉันจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้แหละโคบี้แอบออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆเขาเรีบเดินทางออกไปลและในไม่ช้า ก็มาถึงหมู่บ้านว้าวคนเต็มไปหมดเลยฉันไม่เคยเจอคนเยอะเท่านี้มาก่อนเฮ้อเอโคบี้ Kobe, จ้องไปที่ฮิวโก้และเอลซี่ที่กำลังเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขเด็กงั้นเหรอคงสนุกน่าดูถ้าได้ไปเล่นกับพวกเขาแต่ว่าจะทำยังไงดีล่ะฮิวโก้ไปซ่อนก่อนนะฉันจะนับหนึ่งถึงสิบฮ่เธอหาฉันไม่เจอแนะ่ เอลซีหลับตาลงโคบี้เห็นโอกาสของเขาและค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆเธอโอ้โคบี้ไร้มนสะกดใส่เธอทําให้เธอเดินตามเข้าไปอย่างง่ายได้จากนั้นไม่นานฮิวโก้ก็เหนื่อยที่จะซ่อนแล้วก็ออกมาเอลซีแปลกจังเธอกลับบ้านไปแล้วอย่างนั้นเหรอเอลซี LC, ตามโคบี้มายัางที่แห่งใหม่ด้วยมนสะกดแต่ว่าโคบี้ ยังเป็นเอลฟที่ยังเล็กอยู่ทำให้พลังเวทของเขาอ่อนแอมากในไม่ช้ามนก็คลายหายไปออเออฉันฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยและนายเป็นใครกันน่ะฉันชื่อโคบี้และฉันอยากให้เธอเล่นกับฉันอะไรนะแต่ว่าฉันไม่รู้จักนายเลยและฉันก็ไม่อยากเล่นด้วยน่ะพาฉันกลับบ้านซะไม่ฉันเห็นเธอเล่นอยู่กับเด็กผู้ชายคนนั้นเธอต้องเล่นกับฉันด้วย มาเร็วมาสิอย่างนี้เง่านะมันเล่นกันโคบี้โชว์ผีเสื้อแสนสวยกำลังกระพือปีกมอบช็อกโกแลตแสนอร่อยให้เธอและทำหน้าตาตลกเพื่อให้เธอหัวเราะแต่เอลซีรู้สึกกลัวและไม่มีความสุขเธอไม่รู้ว่าโคบี้แค่อยากเล่นด้วยเธอคิดว่าเขาเป็นคนแคระชั่วร้ายที่จะลักพาตัวเธอไม่ได้ผนอย่างนั้นเหรอฉันพยายามทุกอย่างแล้วนะ ทำไมเธอไม่หัวเราะเลยฉันแค่อยากกลับบ้านไงเล่าเฮ้ยฉันเดาว่าฉันคงทำสิ่งไม่ดีลงไปสินะเธอก็เห็นนี่ว่าฉันไม่มีเพื่อนฉันแค่ต้องการให้ใครสักคนมาเล่นด้วยฉันขอโทษจริงๆนะได้ยินแบบนี้เอลซี่จึงคิดกับตัวเองขึ้นมาโอ้เขาก็ไม่ได้ดูชั่วร้ายนะแต่ว่าฉันจะเชื่อเขาได้ยังไงกันล่ะบางทีถ้าฉันยอมเล่นกับเขาเขาอาจจะพาฉันกลับบ้านก็ได้นะ ก็ได้ฉันเล่นกับนายก็ได้แต่ว่านายต้องพาฉันกลับบ้านนะตกลงไหมโคบี้มีความสุขมากเขาสัญญาว่าจะพาเธอกลับบ้านและทั้งสองก็เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานในขณะเดียวกันเมื่อกลับมาถึงบ้านฮิวโก้ได้บอกทุกคนว่าเอลซี่หายตัวไปทุกคนได้ออกตามหาเธอเอลซี่เอลซี่ลูกอยู่ไหนทุกคนต่างเป็นกังวลมาก พวกเขาออกตามหาหลายชั่วโมงจนมืดในที่สุดทุกคนก็กลับมาที่บ้านอย่างเศร้าใจพ่อแม่ของเอลซีคิดว่าพวกยิปซีพาเธอไปแต่ฮิลโก้คิดว่าต้องเป็นหนึ่งในสัตว์วิเศษที่พาเธอไปอย่างแน่นอนกลับมาที่ทุ่งดอกไม้เอลซีมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคอบีฉันต้องกลับบ้านแล้วนะเริ่มมืดแล้วล่ะมืดแล้วเหรอแต่บ้านของเธออยู่ไกลมากนะ แล้วพวกโทรมันก็จะออกมาตอนกลางคืนด้วยอ่ะโคบี้เริ่มร้องไห้ออกมาอย่างขมขื่นไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็ได้ตอนนี้นะ่ะไปหาที่พักกันก่อนดีกว่าพวกโทรนะ่ะตัวใหญ่และคงหาพวกเราไม่เจอแน่ถ้าพวกเราซ่อนดีๆนะ่ะดังนั้นพวกเขาทั้งคู่จึงเดินออกไปและในที่สุดก็พบกับโพรงไม้พวกเขา รีบเข้าไปพักอยู่ในนั้นกลับมาที่หมู่บ้านฮิวโก้นอนไม่หลับเลยเขาคิดเรื่องเอลซี่อย่างสิ้นหวังฉันต้องตามหาเธอทุกคนหลับหมดแล้วฉันต้องไปตอนนี้แหละเขาออกไปในตอนกลางคืนเพื่อตามหาเพื่อนของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเอลซี่และโคบี้ตื่นขึ้นเธอขอให้เขาพากลับบ้านบ้านเหรอทำไมเราไม่เล่นกันอีกหน่อยละ่ะ ฉันรู้จักที่ดีๆที่เธอต้องชอบมันแน่นอนแต่โคโบี้ฉันต้องกลับบ้านแล้วเล่นกับฉันไม่สนุกอย่างนั้นเหรอใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นฉันชอบเล่นกับนายก็ได้ไปที่นั่นกันก็ได้ในขณะเดียวกันฮิวโก้ก็มาถึงทุ่งดอกไม้อืมนี่มันริบบิ้นของเอลซี่นี่หรือว่าไม่นะ เราต้องคิดบวกเข้าไว้เธอคงหกล้มแบบโก๊อก๊ะแล้วก็ล้มใส่พุ่มไม้นี่ละมัง้งฮะฉันต้องออกตามหาเธอเขาเดินต่อไปอย่างมีความหวังโคบี้และเอลซี่ได้เดินนำหน้าพวกเขามายังป่าแห่งความมืดโคบี้นายจะพาฉันมา ท, ท, ท, ที่ไหนกันนะ่ะถึงแล้วละหลับตาีิ เขาจับมือเอลซีและผลักเธอไปอย่างพุ่มไม้หนาถึงแล้วลืมตาสิว้าวดอกทานตะวันใช่แล้วโคบี้พาเอลซีมาอย่างทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่ที่นั่นมีดอกทานตะวันที่งดงามมากมายเกินกว่าที่เธอเคยเห็นมาก่อนเด็กทั้งสองเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานในขณะที่หิวโก้ที่น่าสงสาร เดินมาถึงผองไม้โอ้นั่นมันริบบิ้นของเอลซีอีกอันนี่โอ้ไม่นะแฟรี่พาเธอไปอย่างนั้นเหรอหรือว่าก๊อบลินหลอกเธอไปนะเขาออกตามหาเธออย่างรวดเร็วเอลซีและโคบี้กาลังเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ไม่นานก็เริ่มถึงตอนเย็นโคบี้ฉันต้องกลับบ้านแล้วตอนนี้อย่างนั้นเหรอทาไม เราไม่เล่นกันต่ออีกสักหน่อยล่ะดูสิจะมืดแล้วนะเดี๋ยวพวกเ่าก็ออกมานายไม่อยากให้เป็นแบบนั้นใช่หรือเปล่าโอ้เออเออเอ่เ อ, อ, อ, อ, อ, อ ก, ก, ก็ได้ก็ได้กลับไปที่ป่า ก, กันไปหาต้นไม้พักกันเถอะเอลซี่เห็นด้วยและหวังว่าเขาจะพาเธอกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อพวกเขากำลังจะไปต้นทานตะวันก็เริ่มมีเสียงดังกรอบแกรบ โออนั่นอะไรกันนะ่ะเอ่อคงจะเป็นหนูมั้งืมว้านั่นนั่นไม่ต้องกลัวนะฉันแค่ออกมาเล่นข้างนอกเฮ้ดูเหมือนพวกนายทั้งสองกำลังสนุกกันสินะขอฉันเล่นด้วยได้ไหมอ้อฉันชื่อเจมี่นะเอ่อเดี๋ยวนะ นายอยากเล่นกับพวกเรางั้นเหรอแต่นายควรจะหอดายน่นาเจะบ้าเหรอฉันรู้ทุกคนต่างกลัวฉันเพราะฉันเป็นทรแต่ว่าจริงๆแล้วฉันก็แค่อยากมีเพื่อนโอ้เขาเหมือนนายเลยโคบีเ้เอ่องั้นพวกเรามาเล่นด้วยกันเถอะจริงเหรอเย้ yeah! ดังนั้นทั้งสมจึงเล่นด้วยกันยิโก็มาถึงป่าแห่งความมืดและสงสัยว่าเอลซีอยู่ที่ไหนกันแน่ฉันหวังว่าฉันจะหาเธอเจอนะถ้าเกิดเธอบาดเจ็บละ่ะแล้วถ้าเกิดเธอไม่เอลซีเขาวิ่งผ่านพุ่มไม้หนาและพบว่าเอลซีอยู่ที่นั่นเขายืนนิ่งอย่างงุดหงิดฉันแพ้แล้วไม่ยึดติด ท, ทาเลยเอลซีแพ้แล้วอยากลองอีกรอบหน่อยไมล่ะ เอลซี่ทอะไรอยู่แล้วแล้วพวกเขาเป็นใครเออฮิวโก้อ๋อนายมาตามหาฉันเออฉันคิดถึงนายมากเลยนะแล้วนี่นะ่ะเพื่อนใหม่ฉันเองชื่อโคบี้กับเจมี่พวกเขานะ่ะสุดยอดไปเลยละ่ะฮิวโก้ตะลึงอย่างมากเมื่อเห็นเธอเล่นกับโทรและคนแคร์และเมื่อเห็นเอลซี่มีความสุขที่ได้พบฮิวโก้อีกครั้งโคบี้ก็รู้สึกละอายใจเป็นอย่างมาก เอลซี <LC. S 2> ฉันขอโทษด้วยนะที่พาเธอมาจากเพื่อนของเธอและครอบครัวของเธออ๋อไม่เป็นไรหรอกพี่สุดท้ายแล้วมันก็ดีไม่ใช่เหรอก็ไม่ดีเท่าไหร่นะพวกเราต้องกลับบ้านนะเธอรู้ไหมแล้วมันอีกไกลเลยนะกว่าจะถึงบ้านโอ้บางทีนี่อาจช่วยได้นะนี่คือหมวกพิเศษเมื่อฉันสั่นกระดิ่งมันจะทำให้ความปรารถนากลายเป็นจริงละ่ะ พวกเราทั้งหมดกลับบ้านได้นะแบบนั้นน่ะแต่ว่าถ้าได้มีเจ้านี่ทําไมนายถึงไม่ขอเพื่อนมาเล่นด้วยสักคนล่ะเพราะว่ามันไม่มีทางสร้างเพื่อนจริงๆได้น่ะสิใช่ไหมละ่ะเอาเถอะกระดิ่งน้อยฉันหวังว่าเอลซี่และฮิวโก้จะกลับไปยังบ้านของพวกเขาและเ อ, อิบโคบี้ด้วยเสียงระฆังดังขึ้นและไม่นานพวกเขาก็มายืนที่สวนของฮิวโก้เราถึงบ้าน แต่ว่าพ่อแม่ของพวกเราและก็คนอื่นๆต้องกังวลมากแน่เลยใช่แล้วล่ะเจมี่นายช่วยทำให้ทุกคนลืมเรื่องการหายตัวไปของเอลซีได้ไหมดังนั้นเจมี่จึงสันระครังและลบความทรงจำทั้งหมดของทุกคนในหมู่บ้านเออฉันอยากให้นายทำแบบนั้นกับแม่ของฉันด้วยได้ไหมพวกเขาบอกฝันดีซึ่้นกันและกันและแยกย้ายกันไป หลังจากนั้นเป็นต้นมาพวกเขาสี่คนจะเล่นด้วยการเกือบทั้งวันและไม่นานก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดนี่พิสูจน์แล้วว่ามิตรภาพนั้นไม่มีขอบเขตไม่ว่าจะแตกต่างกันเพียงใดหรือจะดูเป็นแบบไหนมิตรภาพที่แท้จริงย่อมหาทางพบกันได้เสมอ